ครับถอดบทเรียนทีมฟุตบอลหมู FC ทีมบางป่าคัทอคาเดมี่นะครับเอ่อถอดบทเรียน <c oughs> อะไรต้องเรียนรู้อะไรที่ควรระวังอะไรต้องทําต่อไปแล้วแต่แล้วแต่ว่าบทเรียนจะสอนอะไรเอ่อ เอ่อการถอดบทเรียนอย่าเป็นเพียงแค่ให้เป็นเรื่องอุทาหรณ์สอนใจนะมันก็เติง น่ะมีกัดบันทึกอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับแม้แต่ศูนย์รวม e 18 วันที่ 23 ตุลาคมถึง 10 พฤศจิกายนที่ แล้ว 13 ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ําหลวงขุนน้ํานาง ซึ่งในการปฏิบัติการครั้งนี้มีหลายแง่คิดให้สามารถนำ 9 บทเรียนทาย นะเรื่องการปลูกภัยแบบนี้ทางราชการก็มีระบบแล้วล่ะนะทาง การทําธุรกิจกันเหมือนกันนะต้องมีความอดทนมีความหวังใจยอมรับฟังความ <c oughs> จากในประเทศต่างประเทศอะไรต่างๆเนี่ยเข้า เพราะความเห็นแก่ตัวของคนเพราะความเห็นแก่ตัวของคนนั้นคริสเตียนต้องอธิษฐานพลังนี้มากนะฮะนะฮะอ่าให้อย่างเพราะความ เพราะความอยากได้นะฮะ 1 เชสุกา 1 ข้อ 13 ประธรรม 1 เชสุกา 1 ข้อ 3 ต่อพระพุทธบิดา และความรักที่ท่านเต็มใจทํางานหนักและความพากเพียรซึ่งเกิดจาก เพื่อคนทั้งปวงจะพลัสพร้อมในการทําการนี้ทุกอย่างไว้พรอคทั้งหลายทุกคนในการเข้าใจในพระชนะประชาและสอนทั้งหลาย พระเจ้าสอนอะไรผมก็อาจจะมีความแตกต่างกับ SME นะก็มีบางอย่างที่เหมือนกันแต่ว่าหลายเรื่องเพราะว่า SME มุ่งเน้นธุรกิจแต่ผมมุ่งมุ่งเน้น ไม่มีอะไรในโลกนี้สําคัญเท่ากับชีวิตชีวิตคนกําลังพูดว่าความเป็น ไอ้ 3 ที่พระเจ้าสอนแล้วเราควรตอบสนองตรงอย่าง ได้เห็นว่าความสนใจของคนคน 13 คนนี้สูงกว่าคนจํานวนเป็นคนคน 13 คนนี้อยู่ อยู่สภาพการไหนกู้ซากฟื้นปูสภาพเยียวยารักษาผ่านพ้นความเป็นความตายมาแล้วนะใครพิบัติไม่มีใครเชิญมานะมันทําเรียบร้อยแล้ว ไอ้นู่นทําไมฮะส่วนใหญ่ตายเรียบร้อยแล้วใช่ยังยังอยู่ในวิกฤตยังมีชีวิตอยู่ อันนั้นมันไม่เกี่ยวแล้วเพราะมันผ่านไปแล้วไงมันผ่านไปแล้วนะแต่อันนี้มันยังอยู่จะอยู่ได้กี่วันนะฮะก่อนจะพบ 13 ชีวิตอ่ะมันจะอยู่ได้กี่วันทําอะไรกันอยู่ใช้ชีวิตในถ้ําเป็นมั้ยโอ้วิเคราะห์มากมายก่ายกองแล้ว นะนั่นครับการเป็นส่วนที่ให้มองเห็นภาพนี่นะ ไอ้นี่มันที่สําคัญกว่าสิ่งใดมาแลกกันชดยอมทุ่มเททรัพยากรไม่จํากัดแต่ใครผิดพัดมันคน 13 คนและอาจจะใช้มาก นำยอมทุ่มเททรัพยากรแบบไม่จํากัดชีวิตคนมันแยกกับทรัพยากรไม่ awesome 13 คนและมีหลายคนพร้อม 13 คนอัศจรรย์มั้ยครับ เพราะว่าชิดคนไงคนที่ไปเนี่ยนอกจากเอ่อจ่าแซงของผมเนี่ยนะเออชื่อเดียวกับผม <c oughs> นั่นคือว่าชีวิตคนสําคัญไม่มีอะไรในโลก กำลังจะตายจริงต้องทุ่มเททุกอย่างมีกี่อย่างกี่อย่างเอามาหมดในนี้แล้วก็มองเห็นอะไรวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องไม้เหมือนทันสมัยเยอะมากๆก่อนหน้านี้ไม่รู้คน 13 คน เด็ก 13 คนอายุ 11 ถึง 25 ใช่มั้ยเอาจริง 16 อ่ะนะ 10 16 เนี่ยมี 25 คนเดียวบอกโค้ชอ่ะถ้าถามในความ และถ้าเอาออกไม่ได้เดี๋ยวต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออีกมากมายก่ายกองตามมาแน่ ก็พันจาก็เป็นในเรือไปพันจาพันจาตเนี่ยก็เป็นในเรือในจาพันจานาวาอะไรไป เรือโทรเรือเอกนะฮะนะอันนั้นคือส่วน 13 คนนั้นนั้นทุกคนพูดคําเดียวคุ้มใช่คุ้มนะฮะชีวิตหนึ่งคนได้ อดีตผู้ว่าเชียงรายนะครับ 13 คนและคนละเพื่อ 13 คนจะรอดตายจะรอดตายมัน พระเจ้ามอบหมายให้เราดูแลชีวิตคนนะให้ทั้งหลายไปจับคน ท่านคิดว่าเป็นสิ่งไร้สาระหรือที่พระองค์กล่าวว่าพระองค์ จุดตายมีทางแก้ไขอื่นต้องเอาชีวิตมาแลกกับชีวิตของ นั้นเราต้องทําความเข้าใจอย่างนี้ แม้คน 10 คนเพื่อ 13 คนเค้ายังบอกว่าคุ้มแม้มีคน คน, 13 คนนี้ออกมาได้เค้าบอกว่าคุ้ม โอเคคนนั้นยอมตายเพราะจิตวิจารณ์หรือชีวิตกลับคืนไปนั้นพอหนุนใจวางทีพระเยซูเราไปเอ่อแบ่งปันชีวิตแบ่งปันข่าวประเสริฐเพื่อเค้านั้นจะได้ okay. แต่ว่าเขาจะตอบสนองไงเราไม่รู้นะแต่ว่าให้เราคิดว่าชีวิตของคนมันสําคัญแม้แต่พระเจ้าเขียนว่าสําคัญ แกคนที่ติดมีถ้ำถ้ามันตายเค้าเรียกพินาศนะถ้าไม่มีใครช่วยเหลือเอาบ่ได้ใช่มั้ยเอออันเนี้ยเป็นเรื่องที่มันเป็นอัศจรรย์ที่มันอะไรตีโจกกับลําปากรับชิชคนเนี่ยมันมีค่ามีความหมายมหาศาลนะ 1 คนตายเพื่อหลายคนก็ถือว่าคุ้มค่ามันมันเป็นอะไรที่อัศจรรย์น่ะเพราะว่าชีวิตนี้มาจากไหนในความ ค่อนข้างเท่ากันนั้นเราขอบคุณพระเจ้านะที่พระเจ้าเราเป็นผู้หาคนและหาปลาพระเจ้าให้ มาทำงานด้วยกันก็รักกันได้เข้าใจมั้ยแล้วนะนะเนี่ยที่เหตุการณ์สําคัญหนึ่งท่านดูมั้ย <c oughs> เมื่อมีพลังน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็จะเกิดความรักความสามัคคีและความสําเร็จอันนี้ นั่นก็ไม่ 3 อย่างนี้เพราะว่ามันไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอะไรเป็นสิ่งทําให้เกิดความ 13 คนนี้ มีเป้าหมายเดียวกันเพื่อมาช่วยชีวิต 13 คนนี้ห่วงใยคนอื่นอันเนี้ยคือเรื่องเรื่องหลักใหญ่ คือเป้าหมายคือว่าหวงใยชีพของคนอื่นทุก 13 คนนี้เค้าเอกภาพผมไม่รู้จะใช้คําพูดมาเพราะห่วงใย เพราะมีใจเดียวกันคือหวงใจคนอื่นเหมือนกันถ้าเราไม่มีหัวใจนี้ไม่มีทาง SME ลืมตัวนี้ไปอะไรทําให้เกิดความเป็นน้ําหนึ่ง 13 คน 13 คนเนี่ยมีแต่จ่ายกระจายกองทัพเครื่องสูบน้ําพยานากระจายกระจายนะนะกงตงลางกงตงตัวเตียวก็จ่ายกระจายไม่ง้อมารให้นะ ต้องการทําตามพระมหาบัญชาแล้วก็ทํามันจะทําให้เกิดความเป็นน้ําหนึ่งกลิ่นกันเพราะเราห่วง แล้วคิดถึงตัวเองถ้าคิดถึงอื่นคิดถึงมหาประชาประมาณชาใหม่ออกไปถ้าติดอย่างเราเราจะเป็นเอกภาพนั้นในการพอเรามุ่งไปที่คนอื่นไม่ให้ตัวเองทุกวันนี้ที่คิด ได้ทําให้เราไม่อยากทําอะไรมากนะนะฮะเอากันพอของปากของคอนะเอ่อเพชรเนื้อไม่กินหนังไม่รองนั่งแถมกระดูกแขวนคอเนี่ยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนไว้ก่อนเอาไว้พระเจ้าทรงเรียกแต่ผมบอกว่าทุกงานทรงเรียกเหมือนกันเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งแถมเอากระดูกว่าแขวนคองานรับเทพเจ้าลงเอ่ยแบบ ถ้าใครคิดจะรับใช้พระเจ้าต้องจําคํานี้เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งแถมเอากระดูกแผงขอเพราะอะไรเพราะห่วงชีวิตคน ถึงแม้เนื้อไม่ให้กินหนังไม่ลองนั่งแขมเอากระดูกแขนคอแต่ช่วยคนให้รอดได้มันคุ้มเห็นมั้ยเค้าระดมทรัพยากรมากมายก่ายกองมาช่วยนะเสียเท่าไหร่เสียกัน แต่ถ้าเราห่วงตัวพฤติกรรมเมื่อท่าน 1 ศิริกาลบทที่แตแต <c oughs> 1 ข้อ 3 <c oughs> นะว่าเขาเลยมาเข้าเลยมาได้เค้าเลยมาเค้าเลยมานะความเชื่อมกันถ้าไม่เชื่อไม่นะ ยกของก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่พวกเนี้ยไม่ใช่กวนหนักแต่กฎธภาพร่างกายนะฮะอันนั้นคือส่วนหนึ่งนั้นไม่ไปก็ เซเมราถึงยอมจ่ายราคาแสดงออกกันเชื่อไอ้ 2 ความรัก ที่ใดมีความเป็นน้ํา 1 ใจเดียวกันที่นั่นแสดงออกความรักที่เต็มใจทํางานหนักแต่ ที่ใดมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันที่น่าจะ ถามมีใครท้อมั้ยเค้ามีความหวังพยายามพยายามพยายามตรง นะความเชื่อแสดงออกเป็นการกระทํามีอะไร นักแต่เราคิดเรื่องเดียวอยากเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันแต่เราคิดเรื่องเดียวคิดเหมือนเพราะต่างคนไม่เคยคิดเหมือนฉันนะใช่มั้ยไม่เคยคิดเหมือนฉันนะฮะส่วนใหญ่ชอบแปลคําว่าน้ําหนึ่งใจเดียวกันต้อง ถ้าลงนี้คิดเหมือนกันเนี่ยผมอดกินฝรั่งฮะผมชอบฝรั่งหรือใครชอบฝรั่งเหมือนผมผม เราอยู่ตรงนี้กับพระเจ้าอยู่ตรงนี้กับพระเจ้าเราเดินไปกับพระเจ้ารับทรัพย์อย่างไปกับพระเจ้าตามพระเจ้าเพราะอะไรเพราะเราหวังใจในพระเยซูพระเยซูคือ jeg har sett hatt et hor ligere. Deremer dere saer at vi er en så er dere som med odgenкий, den er under Makrel ini enskilde at vi hatt hatt, borg blir det ungって. забykler blir karikk. Nog bedrt vilje jak� heavens�å har visst men ok��� strat. Ser sig opp mean for enệult bok. Den en hor eller om åldre grad er den, men også ringer bryd av oss fikk sunt, ในความเชื่อของคริสเตียนไม่มีหลายชาติประเภทเพราะคริสเตียน ไม่มีโอกาสกลับชาติมาเกิดแก้ตัวว่าเรามีชีวิตนี้ชีวิตเดียวทําให้เต็มที่ในฐานะเกิดมามีค่ามีตัวชาติน่ะไม่มี ยิงปืนยิงปืนเข้าต้องมีการบอกอ้าวซ้ายระวังหลังก็รังหน้าปลอดภัยอ่าเข้าเป้าไม่เข้าเป้านะแล้วก็มีมันก็มีๆน่ะ <laughs> เออวิ่งไปถูกจริงก็ไม่ได้เดี๋ยวขอชาตายใหม่มันไม่นั่นคือสิ่งนั้นงั้นชีวิตเรามีชีวิต เกิดมาอย่าเสียชาติเกิดก็หมายว่ามีวัตถุประสงค์อะไรนะให้ใช้ชีวิตตามน้ำพระทัยพระเจ้าจงมี ในพระธรรม 15 2 เกิดมาจงรักเพื่อนบ้านพอใจรักพระเจ้าด้วยและรักตัวเองมากกว่ารักเพื่อนบ้านงั้นมั้ยใช่มั้ยไม่ได้บอกแต่จง ถ้าเรามีชีวิตเพื่อตัวเองเราจะไม่ปลอดภัยมันง่ายมากเลยนั่นก็หนุนใจนี่คือการใช้ชีวิตให้ให้คุ้มค่า นะแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อย เราเราถามคําถามนี้มากกว่าเราไม่ใช่ถามว่าพระเจ้าฉันเกิดมาทําไมแต่เราชอบถามว่าทําไมพระเจ้าฉันเกิดมาจนเนี่ย แต่นี่มองถึงภาพรวมๆนะน้องพี่มองเห็นคําถามอะไรว่าพระเจ้าทําไมยอมตายเพื่อเราเพราะชีวิตเรามีค่าเหลือเกินแม้แต่พระเจ้ายอมตายเพื่อเราเข้าใจมั้ยถ้าชิดเราไม่มีค่าพระเจ้าจะยอมตายเพื่อเรา ไม่มีเลยแต่เพราะฉิงเค้ามีค่าคนทั่วโลกจึงสนคือค่าที่พระ หน้าตารับสรรสื่อในหน้าที่ที่พระอะไรทั้งหมดอะไรมาแรกก็ชีวิตก็ไม่ ตอบสนองตามน้ําพระทัยพระเจ้านะจงใช้ชีวิตให้คุ้ม อยากจะเข้าใจคนทั้งพร้อมในการมาช่วยอันก็ไม่คิดอะไร การเสียชีวิตเค้าไม่มีไม่มีครอบครัวเค้ารู้สึกเสียดายที่จะสมานตายไปมีจะดีใจภาคภูมิใจชีวิตของคน เกิดมาแล้วเสียชาติเกิดคือจงมีชีวิตผู้อื่นรับใช้ เกินกว่า